ส่วนเช่ฐานนั้นฉายไฟตรวจบริเวณอีกครั้งพร้อมทั้งเคลื่อนไหวไปจนรอบเวิงถ้ำแคบๆนั้นโดยละเอียดที่สุดไม่ยอมให้อะไรผ่านสายตาไปได้เลยกลางเฉพาะแผ่นหนังผืนนี้เดิมทีเดียวแกบพบวางอยู่ตรงไหนชายันฐานเบาๆงก็วางอยู่ตรงใรกล้ๆกระรอยที่ฉันปักกิ่งไผ่ให้ดูนี่แหละ ลักษณะก็ควรจะเป็นแผ่นหนังปูนอนอะนะเป็นหนังเก่านานมาแล้วคงไม่จะเกิดจากฝ่ายของระพินที่ถลกไว้หรอกแต่น่าจะเป็นหนังที่พวกเกรียงอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บนโพรงถ้ำนี่ลอกเอาไว้ใช้ประโยชน์นะ่ะออแลวตอนที่พบครั้งแรกมันถูกวางเอาทางด้านเกลียงลงแล้วทางด้านที่มีขนนี่ขึ้นถูกต้องไห ม, มถูกต้อง แล้วก็นึกยังไงถึงมาพลิกเข็นอีกด้านหนึ่งอันเป็นด้านหนังเกลี่ยนิเหตุการณ์บังเอิญน่ะคือฉันบังเอิญเดินขึ้นมาตอนเดินกั น, น, น, นหนังอินนะพอดีรองเท้ามันสะดุดกระส่วนปลายทําให้ส่วนหนังส่วนล่างบริเวณหนึ่งมันพลิกตลบขึ้นมาก็เลยเห็นข้อความที่เขียนไว้เหล่านั้นฉันก็เลยพลิกขึ้นมาอ่านจนตลอดแล้วหลังจากนั้นก็ลืง วางกลับไว้ในลักษณะเดิ ม, มเราลองโยนภาพกลับไปยังเหตุการณ์วันที่ทั้งหมดอพยพไปแผ่นหนังแผ่นนี้ดูว่าไร้ประโยชน์พวกนั้นจึงไม่ได้เอาไปด้วยถูกต้องไหมมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็ได้ถูกทิ้งไว้ในลักษณะเดิมคือความหน่าอยู่อย่างนี้อืมใช่ คนสุดท้ายที่ใกล้ชิดกับแผ่นหนังนี่มากที่สุดก็ควรจะเป็นใช่คริสตินาหลอนคงจะใช้รองนอนน่ะแหละหลอนคว่ำบิดข้อความที่ตนเองเขียนขึ้นไว้โดยเอาทางด้านมีขนขึ้นซชก็แปลว่าไม่ประสงค์ไม่เจตานาจะให้ใครมาเห็นสิ่งที่หลอนเขียนขึ้นนี่เลยใช่ไหมไม่ว่าใครทั้งสิ้น ในคณะของพวกหลอนหรือตัวระพินเองอืมแวก็น่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องนี่ชยันอดีตนายทหารปืนใหญ่จุดบุรีสู่อัดควันลึกก่อนจะเอ่ยต่อมาว่าเอาละเอาละฉันคิดว่าฉันพอจะมองเห็นภาพของเหตุการณ์ภายในคืนที่ระพินเข้ามานอนอยู่บนนี้และ พฤติการใกล้เคียงกับเวลานั้นขึ้นรางๆแล้วล่ะบันทึกในเชิงก ว, วีที่เขียนด้วยอารมณ์ของผู้หญิงผมทองคนนั้นให้ประโยชน์ต่อข้อสันนิษฐานมากที่สุดนะขณะที่พูดชยันเอานิ้วชี้ไล่ไปตามข้อความเหล่านั้นพึมพำต่อมาว่าเฮ้แต่เสียดายจริงจิเสียดายที่หลอนไม่ได้ลงวันที่ไว้ ถ้าลงวันที่ไว้ชนิดเดียวเท่านั้น่ะเราจะรู้ทันทีว่ามันห่างจากการมาถึงของเราในกี่วันจะช่วยให้ประโยชน์ในการติดตามขึ้นอีกอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวอนุชาดีดนิ้วโดยแรงตถึงว่าสิถ้าลงวันที่ซะหน่อยเท่านั้นเราจะคำนวณได้ทันทีว่าป่านนี้คณะของเขาควรจะอยู่บริเวณไหนห่างจากเราเท่าไหร่ถึงไม่ตรงเพลงนะักก็ใกล้เคียง ยันเหลือไปทางดารินผู้นั่งซบหน้าอยู่กับฝ่ามือเช่นนั้นครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะเรียกให้เขามาร่วมวงด้วยแต่ก็เปลี่ยนใจเขาะหนักดีว่าหล่อนกำลังอยู่ในภาวะทุกข์เศร้าว่วาวุ่นใจจนสุดประมาณจึงอยากจะปล่อยไว้ตามลำพังก่อนคงร่วมหารือกันเฉพาะสามคนเท่านั้นเชฐถาดตรวจไปรอบแล้วกลับเขามานั่งร่วมตรงนั้นด้วยอีกครั้ง ฉันจะแปลความหมายของข้อความที่เขียนขึ้นลอยๆเหล่านี้เพื่อสะท้อนภาพออกมาให้เราได้พิจารณากันละนะเชฐฐากลางมาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยแล้วกันถ้าฉันแปลผิดหรือมีข้อสงสัยเป็นอื่นก็ช่วยกันท้วงแล้วก็ช่วยอ่านด้วยแม่ลายมือสูยจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่เล่นคัดแบบตัวอักษรของกวีโบราณยังก็เขียนไปปากตาขนไก่กันทีเดียว เราจะไล่ไปตั้งแต่วักแรกเลยนะเจะ้าหลอนขึ้นต้นประโยคว่าเขาถามว่าดวงใจเขาอยู่ไหนฉันยื่นให้บอกว่าอยู่นี่ขอคืนให้เออความในข้อนี้ใครว่าคืออะไรชยันกระสิกเหลือตาดูเชิดาและอนุชา เข้าใจว่าอาจจะเป็นรูปของน้อยนะแกก็ต้องดูประโยคต่อไปด้วยไอ้ที่เขียนว่าเขาชั ง, งนถามว่าเอาไปได้ยังไงข้อความต่อไปนะหมายถึงคำตอบของหล่อนเองคือที่เขียนว่าฉันเก็บไว้ให้ขณะที่เธอสลบสลางเมื่อท้งวาที่ผ่านมา เชิดาเอาปากตาของตนขีดเส้นหนักๆลงไปใต้ข้อความว่าสลบสไลด์ับที่วาที่ผ่านมานี่ชยันกลางด้วยพิจารณาสองคำนี้ให้ดีนะมันหมายถึงว่ารับพินเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาป่วยหรือบาดเจ็บอย่างหนักทีเดียวป่วยเมื่อไหรอ่อะ ก็เมื่อที่วาที่ผ่านมาก็แปลว่าตอนกลางวันก่อนจะตกค่ำที่หลอนเขียนนั่นเองแกว่าถูกไหมชัยยันกับอนุชาลูกคางคิดเออมันก็น่าจะใช่นะพี่ใหญ่ข้อความนี่แม้จะไม่ชัดแจ้งนะักแต่บกก็บอกความในได้ระพินดับเครื่องไปแน่ในตอนกลางวั น, น่ะ จนกระทั่งต้องหามกันขึ้นมาปฐมพยาบาลกันบนนี้เพื่อความปลอดภัยโดยหนีจากกองทัพช้างหลังนั้นด้วยเราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรเขาเท่านั้นและจากการที่ราพินนำพวกนั้นมาถึงที่นี่มีการเผาซากศพของกระเรียงที่ถูกช้างฆ่าหลังจากนั้นก็ตามมาพบพวกนี้มารบอาศัยอยู่บนโพรงถ้าบนหน้าผาพิสูจน์การเวลาได้ว่า ขณะของระพินจะต้องพักอยู่ที่นี่ไม่น้อยไปกว่าสองคืนแน่ระหว่างที่รพินหมดสติและรักษาพยาบาลกันอยู่นั้นคริสติน่าก็อาจจะเป็นคนรื้อค้นกระเป๋าเสื้อของเขาและพบรูปของน้อยเขาจึงเก็บยึดไว้แล้วเมื่อนายนั่นรู้สึกตัวขึ้นมาจึงถามหานั่นจึงเป็นข้อความที่ว่าเอาไปได้ยังไงกับที่ว่า ฉันเก็บไว้ให้ขณะข<น>ที่ทเธอสลบสลด ย, ล ย, ลยเมื่อที่วาที่ผ่านมาอีตรงนี้มันเจือสมกันได้พอดีนี่สามชายช่วยกันวินิจฉัยข้อความและอ่านเหตุการณ์ด้วยเสียงซุบซิบแผ่วเบาอ่ะไหนเราแกะต่อไปสิชยันอนุชาตเตือนอ่ะต่อไปก็ประโยคที่ว่า เขารับไปแล้วกอดประทับไว้กับอกณตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของหัวใจที่เต้นผักแผ่วไอ้เต้นผักแผ่วนี่มันก็แปลว่าเต้นอ่อนเต็มทีอาการของระพินแย่มากๆทีเดียวหากจะพิจารณาตามถ้อยคำนี่โดยไม่ใช่เพราะต้องการสัมผัสอักษรหรือปากกาพาไป ฉันคิดว่าแม่นั่นคงจะขียนออกมาด้วยความจริงที่หล่อนพบเห็นทั้งหมดนั่นแหละอตทีนี้ถึงประโยคที่ว่าและมากว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นอีกแล้วในประโยคนี้คงจะเป็นความคิดคำหนึ่งราพึงของหล่อนนะนะต่อไปก็เป็นประโยคว่าเขาคงหลับนิรัน พร้อมกับแผ่นผ้าของสตรีนางนั้นตลอดไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนรำพึงส่วนตัวของหล่อนอีกที่มองเห็นว่ารับพินเอารูปของน้อยแนบอกนอนเจ็บอยู่เช่นนั้นแล้วก็ถึงประโยคว่าและแล้วเขาก็ดิ่เข้าสื่อห่วงนิทราสนิท ด้วยฤทธิ์แห่งยาสะก ด, ด, ด, ด, ด, ดและมายาสลดส้ร้าแห่งรัติการนี่ตรงนี้ก็ควรจะแปลว่าหล่อนได้เฝ้าดูอยู่จนระพินันหลับโดยการให้น้ําเกลือซึ่งน่าจะกินยานอนหลับเข้าไปด้วยเอ๊คําแปลข้อนี้นะมันถูกต้องไม่ว่าหรือแก่ว่าไง ในคำพูดประโยคสุดท้ายของตนเองเฉฐาหันไปร้องถามน้องสาวเบาๆว่านี่น้อยเขาถามอะไรนิดสิอะไรคะพี่ใหญ่ดารินตอบมาด้วยเสียงแผ่วเครือโดยยังซบหน้ากับฝ่ามือเช่นนั้นในการให้อวีหรือน้ำเกลือนี่จะผสมยานอนหลับเข้าไปด้วยได้ไหมได้คะ่ะ จะเป็นยานอนหลับือควินินหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละในกรณีที่จะให้เข้าเส้นเลือดโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนป่วยถังนั้นก็ถูกต้องน้ำเกลือถุงนั้นผสมยานอนหลับวิยาระงับประสาทเข้าไปด้วยแน่นอนเพื่อให้ระพินพักผ่อนให้มากที่สุดองั้นเราลองพิจารณาประโยคต่อไปสิ เขาจะตื่นขึ้นอีกไหมเนะประโยคนี้เนี่ยมันเป็นรำพึงของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจิตผูกพันเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งนะประโยคต่อไปที่ว่าปัจจุบันสมัยจะมีสำหรับเราอีกหรือไม่ตรงนี้ก็น่าจะแปลว่าหล่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของคณะทุกคน จะรอดพ้นในคืนนั้นไปได้จนถึงรุ่งเช้าหรือเปล่าอ๋อนี่ไงชัดเลยตรงเนี้ยประโยคต่อไปที่ว่านักราตรีทามืนมืดไปด้วยเงื้อมเงามัดอยู่ไเนี่ยแสดงว่าคืนนั้นอ่ะเป็นคืนแห่งวิกฤตการขับขันขีดสุดทีเดียวและต่อไปนี้เป็นบรรยายความที่บอกอะไรชัดเจนพอสมควรนะนะ ตรงประโยคที่หล่อนเขียนต่อนี่ว่ากระเรียนบาดเจ็บเจ็บหลับอยู่กับครอบครัวตรงมุมนั้นและเป็นสุดอาการของชาวดงดีขึ้นดีขึ้นเอตรงมุมไหนวะใช้ยันเงยหน้าขึ้นคน้นแต่เชิดถาชี้มือเข้าไปในซอกส่วนที่ลึกที่สุดตรงโ น, น้นฉันเข้าไปดูแลมีรอยอาศัยพักนอนอยู่ได้สองหรือสามคน มันก็บ่งชัดน่ะว่าภายในซอกคูหาเนี่ยระพินถูกนำขึ้นมารักษาอยู่ด้วยและเจ้ากระเรียงที่เคยบาดเจ็บนั่นก็ค่อยยังชั่วแล้วก็คงจะนอนอยู่กับลูกเมียตรงนั้นแหละส่วนด้านนี้หล่อนเขียนบอกไว้ว่าแต่เขาหลับอยู่เดียวดายณที่นี้และรฐมทุก์อาการของเขาเร็วลงเร็วลง ทั้งสามชายเงียบกันไปชั่วขณะหนึ่งภาพภายในครูหาหินนี้บัดนี้ผุดขึ้นเด่นชัดแล้วจากข้อความร้อยกรองนั้นเท่าเท่ากับได้สะท้อนออกถึงแก่นแท้จริงใจตลอดจนอารมณ์ของผู้เขียนไว้ข้อความต่อไปนั้นทั้งสามไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกเลย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 เราไ ม, ไ, ไม่ได้เจตนาจ ง, จงใจเชฐาขีดเส้นใต้ลงไปอีกตรงวลีที่ว่าไ ม, ไม่ได้เจตนาจ ง, จงใ จ, ใจในิ้วของชัยยันไล่ไปตามบรรทัดเหล่านั้นตามลำดับขนาดเป็นผู้ชายอารมณ์เก้าๆแต่แท้เขาก็ยังสะอึกซึมแล้วก็งันไป เมื่อไล่นิ้วไปยังข้อความที่ว่าเงียบเงีย บ, ยบจนได้ยินเสียงแห่งความเงียบเงาจนสุดสิ้นระดับแห่งความเงาผู้หญิงคนนี้อารมณ์โรแมนติกเหลือเกินรับพิ่ใหญ่ อนุชายเอียงริมฝีปากกระซิบกับหูของริมของพี่ชายผู้นิ่งเงียบอยู่เออและสองประโยคหลังนี่เป็นคำพ่อรำพันประชดตัวเองด้วยนะที่ว่าทำไมต้องเป็นฉันที่ถูกกำหนดให้ดูแลเขาราตรีนี้ฉไหนนี่จึงไม่เป็นอิสบล ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกชัดอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าคือนั้นคริสติน่าแน่นอนที่ถูกสั่งให้เฝ้าระพินแทนที่จะเป็นอิสเบลซึ่งตามปกติก็เป็นแพทย์ประจำคณะอยู่แล้วเจตถาถอนใจแล้วเคาะนิ้วลงไปยังข้อความที่ดารินเขียนต่อไปไว้พร้อมกับรอบบุยปากไปทางน้องสาว อนุชากระซิบเบาที่สุดว่าโกรธไม่ลงแล้วก็หึงต่อไปไม่ไหวแล้วครับพี่ใหญ่พอน้อยก็ยังซึ้งได้ดีว่าคริสติน่านะ่ะปรารถนาดีกรรับระพินมากซ้ำยังรู้ด้วยว่ารับพินยังมีความรักอันมั่นคงอยู่แต่อีควายนึงเขาก็เป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งไม่ใช่เล่นนิดเดียว น้อยน่ะไม่กลัวรอกผู้หญิงแร็จยั่วยวนแบบวัดถุงแห่งความใคร่แต่เขากลัวผู้หญิงที่ดีมีอารมณ์ลึกซึ้งแบบคริสติน่านี่แหละตัวเขาเองก็บอกออกมาแล้วตะกี้นี้ว่ารับว่าคริสติน่าก็รักรับพินผมเองก็เชื่อยอย่างงั้นนะเพราะไม่งั้นก็คงไม่เกิดอารมณ์ที่จะเขียนความในใจอะไรต่ออะไรไว้ได้ในรูปกวีถึงเพียงนี้ แถมแอ บ, บเขียนในขณะที่ราพินหลักแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยเขียนแล้วก็ยังพลิกแผ่นหนังซ่อนปิดไวช้ชะทิ้งไว้โดยเจ้าตัวก็คิดว่าจะไม่มีใครมาพบอีกเลยตลอดไปอล้วไอ้สือนั่นของเราจะรู้ไหมนี่ว่าทำไมผมทองน่ะเกิดแอ บ, บรักตัวเองเขาไห้แล้วชยันพูดเบาที่สุดไม่ให้ได้ยินไปถึงดาริน ผู้นั่งอย่างคนปราศจากความรู้สึกใดๆอยู่ไม่ห่างนักและไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยมันก็อาจจะรู้หรืออาจไม่รู้แต่ตลอดเวลานับตั้งแต่ออกเดินทางคบหาสมาคมกันมาก็เชื่อว่ารพินคงไม่ได้แสดงท่าทีอะไรทั้งสิน้นสังเกตดูจากข้อความที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนเป็นเชิงตัดพ้อไว้ก็พอจะสันนิษฐานได้ เพราะถ้ามีอะไรกันมั่งการขียนจะรำพันไปอีกแบบหนึง่งคริสติน่าเองก็มีความรู้สึกว่าตนเองมีบาปถ้าไม่ใช่นนั้นจะไม่ขียนออกมาหรอกว่าเราพร่าเขาออกมาจากความรักเราผลักเขาออกมาจากความหวังก็ข้อความนี้แหละที่ทำให้น้อยคงจะซึ้งใจผู้หญิงคนนั้นแล่ก็ว้าวุ่นใจมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุปัตตวเหตุ เป็นลิขิตของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปวดกระโหลกชายันถอนใจฮือเอานิ้วเกาต้นคอกรากกลากคู่นี้น่ะกว่าจะรักกันได้ก็ลำบากยากแ้นแทบล้มประดาตายอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วไอ้ครั้นรักกันแล้วอะไรต่ออะไรกำลังจะราบรื่นลงเอ้ย ก็มามีเรื่องให้ต้องอยากแค้นสมสารกันต่อไปอีกทั้งสองคนเนี่ยถ้าตามกันพบแล้วได้กลับมาแต่งงานกันได้ฉันว่าเทวดาฟ้าดินคงจะโห่ร้องลั่นคลองใช้ให้ทีเดียวไอเราสามคนนึกก็เปรียบเหมือนพี่ชายของเขาทั้งสองมันก็ต้องพลอยลำบากไปด้วยแบบนี้ไม่รู้จะทำไงแต่ปั๊บพาไอหมอระพินนี่ลูกก็ไม่หอพ่อก็ไม่รวย ผู้หญิงคนไหนจะมาเดินป่ากับหมอเข้าไปนั้นขาดใช่นะต่อให้สูงสักเลิศเลอสักแค่ไหนเป็นหลงหมอทุกรายใช่นะไม่รู้มีดีอะไรเล่นสเสน่ห์ยาแฝงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คราวนี้ก็ควรจะมาถึงข้อสรุปสักทีสินะเชษฐาเอ่ยขึ้นอย่างไม่สนใจอะไรกระคำพูดเรื่อยเปื่อยของชา ย, ยันปัญหาที่เราจะต้องขบก็คือ รบพินละคณะมาพักอยู่ที่นี่กี่วันจึงมีการเคลื่อนย้ายและตัวเขาเองน่ะบาดเจ็บอยู่กี่วันหายป่วยหรือว่าตายคำพูดของเชษฐาคราวนี้ดังเป็นปกติและประโยคนั้นมันก็ตรงใชจนกระทั่งดารินสะดุง้งเงยหน้าขึ้นทันที อนุชาร้องเรียกหนานอินผู้ยืนอยู่ปากถ้ำเบาๆให้เข้ามาสอบถามอะไรกันเบาๆอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาทางพี่ชายและเพื่อนบอกว่าในความรู้สึกของหนานอินหนานอินบอกว่าระพินจะต้องหายพอจะเดินทางต่อไปได้ครับเพราะถ้าเขาเป็นอะไรลงไปการเดินทางจะมีต่อไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดพวกนั้นจะต้องกลับทันที พราลำพังบุญคำนะ่ะคงนำทางพวกนั้นไปไม่ได้แน่ไอ้ส่วนที่ว่าคณะน่นจะมาพักติดกันอยู่ที่นี่สักกี่วันกะบอกว่าคงไม่น้อยกว่าสองวันแน่นอนมันหมายถึงว่าได้มาเสียเวลาอยู่ที่นี่โดยไม่ได้กำหนดข้อหมายไว้ก่อนตรงป่าไผ่ที่เราผ่านมาแล้วคณะนี้ก็มาเสียเวลาการเดินทางครั้งหนึ่งละจะมีความเห็นว่ายิ่งคณะของระพินเสียเวลาไปเท่าไหร่ ฝ่ายเราก็จะยิ่งกระชั้นชิดติดรอยได้มากขึ้นเท่านั้นพรุ่งนี้จะลงตรวจสอบบริเวณเบื้องล่างอีกทีนึงและจะช่วยให้รู้ได้แน่ชัดว่าเขาผลักจากที่นี่รวมทั้งอบพยพพวกกระเหี่ยงที่มาติดอยู่บนหน้าผานี่ไปได้นานสักเท่าไหร่แล้วสาหรับทางด้านเรานะี่ะแม้จะออกตามหลังมาเว้นระยะห่างเจ็ดแปดวันก็ตามแต่ฝ่ายเราก็ไม่มีการเสียเวลากันเลย แต่ละวันก็เดินเข้าสู่เป้าหมายได้ตรงกำหนดเวลาทุกระยะไปนี่ก็นับว่าวิเศษสืมพี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าทางด้านเราเนี่ยทำเวลากันได้ดีมากตรงข้ามกับทางฝ่ายเขาที่ต้องมีเหตุให้เสียเวลาอยู่แทบทุกระยะมันก็แสดงว่าทางฝ่ายเราคล่องตัวกว่าและแม้จะพบกับอุปสรรคก็ยังน้อยกว่าฝ่ายเขามากทีเดียวว่าแต่กระเหรียงตะเคียนทองพวกนี้ เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับคณะของระพินแน่นอนเหรอเทธถาถามเสียงต่ำๆว่าถับผูกของนายระพินไม่มาถึงไอ้พวกนี้ก็คงจะเป็นลิงภูเขาอยู่บนหน้าผาอยู่นี่เองล่ละนายใหญ่ไม่มีใครกล้าอพยพไปไหนได้ไกลหรอกเพราะจะรู้ได้ยังไงว่าระวางทางจะไม่ถูกโขลงช้างผีสิงขยี้แหลกลงทั้งหมด นายรบพินแกคงจะต้อนให้ไปรวมอยู่ ก, ะ, กะเรลียงห้วยเสือร้องไปพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่นี่นานเกินไปนักไม่ได้เพราะโนนแกช่อมือลงไปข้างล่างซาคช้างเน่าโนนทามาอยู่กันไม่ได้นานแน่นอนตน้องหนีโดยเร็วนันอินเชื่อว่าเขาอาจจะไปกันก่อนซาคจะสมกลิน่น น้า ล, ลุงพอจะเดาถูกไหมว่าพรานใหญ่มาปูวอยอยู่ที่นี่น่ะเพราะอะไรประท่กระชั้นตอนสงครามใหญ่นั่นใช่ไหมหนานอินนิ่งคิดแล้วสั่นหัวอย่างไม่เห็นด้วยอืมในเรื่องที่จะต้องเจ็บป่วยเพราะสักว์ป่าโดยตรงนี่หนานอินไม่อยากจะเชื่อนะไม่ว่าจะสัตว์ธรรมดาหรือสัตว์ผีลงอ่ะคิดว่าเป็นเรื่องอื่นจะมากกว่า แต่ก็ไม่รู้นะมันจนปัญญาของหนางอินเหมือนกันถ้าหน้าผานี่มันพูดได้มันก็คงจะเล่าให้เราฟังหมดแล้วล่ะว่าวันนั้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงมั่งชายันจุปากเบาๆพร้อมกับโคลงหัวบ่นว่าแม่ลุงอินนี่ถ้าไม่ใช่ตาบุญคำก็เฉียดๆกันไปดีเดียวนะโอ้ดันพูดออกมาได้ว่าหน้าผาที่จะมันพูดได้ ก็ลุงลองถามมาดูดิไม่แน่เหมือนกันนะลุงดึกดึกข้ามันอาจจะเล่าให้ลุงฟังชอตชอตก็ได้นานอินยิ้มเห็นเหงือกอ้อโธนายทหารก็เอาหนานินไปเปรียบกับไอ้ามกบุญคำนั่นได้ไอ้คำน่นมันบรมกันร่อนส ป, ปดีสีปรปโดนหาไหนไม่มีเทียมนานนินคนซื้อถือสัจจานอกจากนายระพินละ ไม่มีใครเตไอ้คำได้มีหนานิองคนเดียวบ้านนี้นะ่ะมันไม่รู้ไปเป็นตายรายดีอยู่กับเจ้านายของมันที่ไหนรวมทั้งไอจ้จันไอ้เกิดไอ้เสยไอ้ลูกค้างใส่ น, นั่นเลยทุกคนอึ้องกันไปอีกขณะจิตหนึ่งถูกแล้วความห่วงใยนั้นไม่ได้มีเฉพาะแต่ราพินไพรวันคนเดียวเท่านั้น ดังห่วงใยไปถึงพรานคู่ใจทั้งสี่คนของเขาด้วยกันทั้งนั้นในฐานะที่สนิทชิดเชือ้อร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนอย่างใกล้ชิดที่สุดน้ชัยันก็บอกขึ้นว่าอืมเราได้หลักฐานมากเกินค่าทีเดียวนะที่เนี่ยโดยฝีมือของพรานชดอ่ะตอนนี้ก็กลับที่พักของเราเหอะ ใครจะกลับไปนอนที่ไหนก็ไปเถอะแต่น้อยจะนอนที่นี่ค่ะตรงที่เราพินเคยมานอนเจ็บอยู่ตรงนี้อะค่ะดารินโผล่ขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วไม่สนใจกับใครอีกทั้งสิน้นเดินเข้ามาหยิบหนังเก้ ง, งอันมีลายมือของคริสติน่าสลักไว้แผ่นนั้นลากมาปูลงตรงตำแหน่งใกล้เคียงกับรอยแตกของพื้นหินที่ใช้ปักเสาแขวนถุงน้าเกลือ พร้อมทั้งเอ็นกายลงนอนงายช้าๆมือทั้งสองประสานกันควายรองสีสษะไว้ชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งดวงตาของหล่อนบัตรนี้แห้งสนิทจากหยาดน้ำมือมองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนเพดานหินย้อยอนุชาขยับปากแต่พี่ชายใหญ่จับแขนไว้บอกว่าอย่าขัดใจน้อย เอาเป็นว่าพวกเราก็ย้ายที่แท้ก็แล้วกันย้ายมานอนในครูหานี่ให้พวกของขยินกับลูกหาบไปนอนคูหาที่เราเลือกไว้ก่อนบอกขยินกับพวกนั้นให้ไปขนของขอ ง, ของเรามาที่นี่ฮะถึงมันจะแคบมันก็กว้างพอที่จะนอนกันได้สบายๆห้าคนเมื่อนั้นอนุชาจึงสั่งการไปทางหนานอินตามความประสงค์ของพี่ชายใหญ่หลังจากนั้นอีกเพียงครู่เดียว อุปกรณ์ส่วนตัวของนายจ้างทั้งหมดก็ถูกพวกลูกหาบและขยินขนกันเข้ามาให้ภายในกูหานี้ถึงจะแค่ไปหน่อยไม่อาจจะนอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานได้แต่ก็สามารถแบ่งกลุ่มกันออกไปได้สองกลุ่มคือบริเวณตำแหน่งที่พิสูจน์แน่ชัดว่ารพินเคยมานอนเจ็บพอนอนกันได้สองคนและในโพรงที่ลึกเข้าไปอีกเล็กน้อยก็มีส่วนกว้างพอจะนอนกันได้3มคนเบียด ดารินนั้นแม้จะไม่พูดอะไรเลยกิริยาของหล่อนก็บอกชัดแล้วว่าจะยึดตำแหน่งที่ค้นพบว่ารพินมานอนเจ็บอยู่ตรงนี้แหละเป็นที่นอนของหล่อนโดยไม่สนใจว่าใครจะนอนตรงไหนบ้างพระบัตรนี้หล่อนก็ทอดกายลงนอนแล้วบนแผ่นหนังแห้งที่ค้นพบแผ่นนั้นเพียงแต่เมื่อนานอินก็บขยินหิวเป้หลังกับไรเฟิลประจำตัวมาให้หล่อนก็รับเป้ไปหนุนศีรษะส่วนไรเฟิลวางไว้ข้างกาย ปลายปากกระบอกหันออกไปทางปากทางเข้าสึบบุรีลืมตาพลูเข้าพะวงอยู่คนเดียวพี่ใหญ่กระเชยันเข้าไปนอนอยู่ตรงส่วนลึกนั่นเถอะครับผมจะนอนใกล้ๆน้อยตรงนี้แหละอนุชาเป็นคนกาหนดที่ทางให้ส่วนลุงอินนะผมจะใจกันนอนขวางปากทางตอนนอกนั่นเชื่อว่าคงจะไม่มีอะไระครับบนนี้ก็ปลอดภัยพอสมควรทีเดียว อาจจะหนาวหน่อยเวลาดึกเท่านั้นเอาเอาเอาไงก็เอากันขอไม่จะประคุณสบายใจก็แล้วกันชายันบอกมาปนหัวเราะฮือพร้อมกับโคลงหัวเข้าไปจัดที่นอนสำหรับตัวเองกระเชิด้าขยิงกับพวกนั้นภายหลังจากลาเลียงของที่ย้ายมาให้แล้วก็ถามมาด้ความสงสัยว่าโพรงถ้าตรงที่เลือกไว้ก่อนแล้วมันกว้างใหญ่นอนสบายกว่าที่นี่มาก ทำไมพวกเจ้านายถึงมาเลือกนอนรูแคบๆตรงนี้ล่ะครับนานอินโบกมือไล่ไปไปไอ้ขยินเองพาพวกเองไปนอนในสบายในโพรงกว้างนั่นก็แล้วกันอย่ามาสืกถามอะไรไม่เข้าเรื่องนอนนอนซะให้หลับเอาแรงไว้พรุ่งนี้จะได้ทํางานหนักกันต่อไปข่าของอะไรของพวกเองยังเหลืออะไรอยู่บ้างก็ขนๆไปจ้ะรูนี่มันจะได้กว้างขึ้นมัง้งขยินไม่ว่าอะไรอีก เ้ามาหยิบฉวยของของพวกมันที่ยังเหลือตกค้างอยู่บ้างสองสามชิ้นหิ้วกันออกไประหว่างที่อนุชากําลังเอาผ้าพลาสติกบางๆผืนหนึ่งปูพื้นลงข้างที่น้องสาวนอนเสียงเชิดถาก็ดังออกมาจากซอกถ้ำที่ลึกเข้าไปเล็กน้อยโดยมีหน่อหินบังว่ะอ่ะกลางลองทดลองวิทยุอีกครั้งสิมันเริ่มจะทํางานในหม่างหรือยัง อนุชาจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องวิทยุรับส่งที่ย่างเข้าใกล้บริเวณนี้ก็มีอันเป็นบอดสนิทไม่สามารถจะใช้ติดต่อกันได้เลยเมื่อถูกพี่ชายเตือนมาเช่นนั้นก็ดึงขึ้นมาจากซองหนังที่เน็บเอวเปิดสวิต ท, ทดลองกดทีกรอกคำพูดเป็นเสียงนับลงไปปราศจากผลวิทยุทางฝ่ายเชิดาและชัยยันที่เปิดรอคอยอยู่ ไม่ปรากฏเสียงใดๆแววออกมาเลยต่างฝ่ายต่างถลัดกันเรียกและปรับตุ่มวอลลุ่มกับเซ็ควนซ์ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าจะมีแม้แต่เสียงคลื่นอากาศใดๆทั้งสิ้นฮึหมดหวังรับพี่ใหญ่หูเขาตะเกียนทองเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุจริงๆอะไรอย่าพยายามเลยเสียเวลาเปล่าครับเอาไว้พ้นบริเวณนี้แล้วค่อยทดลองใหม่ผมไม่เชื่อว่าวิทยุของเราทุกเครื่องจะผ่านหมด นึกมาเสียพร้อมๆกันหรอกจงลงมันยังใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้มันน้อยประโยคหลังร้องเรียกน้องสาวมาคะ่ะเสียงต่อไปเบาๆนอนกันแล้วนะไม่มีการแอบลุกขึ้นไปไหนไปอังขาดเข้าใจไหมห้ามโลูกจากโพรงถ้ำนี่ ถ้าจำเป็นจริงๆก็ให้ไปปลูกพี่กลางเขานั่นเป็นคำสั่งรำชักมาด้วยเสียงที่หนักแน่นเอาจริงเอาจังดารินต่อบุรีเป็นตัวที่สองก้นตัวแรกขยี้ลงกับพื้นหินข้างตัวตอบเสียงเบาๆว่าค่ะเสียงทางด้านเชิดถาและชัยยันที่นอนคู่กันอยู่ตอนใน เงียบหายไปแล้วอย่างคนคุ้นเคยมาก่อนกับการผจญภัยกลางป่าลึกนั่นก็คือถ้ามีโอกาสก็จะรีบหลับๆเอาแรงไว้ก่อนสารพัดปัญหาอะไรที่มีก็เก็บพักไว้ก่อนเอาไว้ตื่นค่อยหันมาพิจารณาแก้ไขกันใหม่ข้างอนุชาก็เตรียมจากที่นอนข้างๆน้องสาวอาการโอชัดว่าจะต้องนอนคุ้มตัวเอาไว้อย่างใกล้ชิดที่สุด ผ้าผุยผืนเล็กบางๆขนาดพอจะหมได้สองคนอย่างมินมินโยนส่งส่วนหนึ่งไปคลุมตัวให้เอนตัวลงนอนข้างๆน้องสาวผู้ชายมือข้างหนึ่งก่หน้าผากอยู่ส่วนด้านปลายเท้าห่างออกไปราวสองวานานอินผู้จะมีที่นอนดักขวางอยู่ปากโพรงยังไม่นอนขณะนี้แกนั่งขัดสมาธิเพดตั้งลำตัวตรงแนวสงบนิ่งเหมือนจะเข้าฌาน รืสะกดตัวเองหันหน้าออกไปยังปากทางด้านนอกอันเป็นมานอากาศอันดำมืดสนิทเบื้องหน้ามีทูบอยู่ดอกหนึ่งปักไว้ฝ่ามือของพี่ชายกลางเอื้อมมาที่ใบหน้าของน้องสาวแล้วค่อยๆปิดลงที่เปลือกตาอันลืมอยู่นั้นพร้อมกับกระซิบบอกว่าถึงเวลานอนก็นอนเถอะน้อย อย่าไปคิดอะไรให้มากเลยดารินจับมือพี่ชายที่ปิดตานั้นออกแล้วกลุ่มไว้แน่นพี่กลางคะเสียงน้องสาวเบาที่สุดอืม<น>อะไรบอกน้อยด้วยความรู้สึกแท้จริงของพี่กลางได้ไหมกรุณาอย่าปิดบัง ระพินรอดพ้นจากอันตรายของคืนที่เขามันนอนเจ็บอยู่ตรงที่น้อยนอนนี่ไหมพี่กลางคิดว่าไงคะ <c oughs> ความจริงน้อยก็มีสังหรณ์และมีประสาทส่วนพิเศษสามารถรับรู้อะไรดีกว่าพี่ใอีกนะพี่พนน้อยน่าจะรู้ดีกว่าพี่นะเรื่องนี้ อนุชาตอบมาด้วยน้ำเสียงเมตตาสงสารไม่บ่อยครั้งนะักที่พี่น้องคู่นี้จะเสวนากันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วกอบไปด้วยความรักส่วนมากจะทะเลาะขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำลักษณะเป็นเพื่อนใช่มากกว่าพี่เนื่องจากวัยที่ไม่ห่างกันมากนะักผิดกับพี่ชายคนใหญ่อันเป็นที่เคารพยำเกรงของทุกคน พี่กลางคะน้อยพยายามรวบรวมกระแสจิตทั้งหมดแน้วนะคะแต่ยังคิดอะไรไม่ออกมองภาพอะไรไม่เห็นทังนั้นไม่มีนิมิตอะไรเข้ามาในดวงจิตของน้อยขนาดนี้เลยมันเหมือนมองเข้าไปยังแผ่นผ้าสีดำสนิทที่น้อยถามพี่กลางก็เพราะน้อยเชื่อ ในการที่พี่กลางเคยบุกป่าฝ่าดงมีชีวิตอยู่กลางความลี้ลับของป่าใหญ่มานานเทียบเท่าพรานใหญ่คนหนึ่งซ้ำยังมีลุงอินเป็นคู่คิดเช่นนี้พี่กลางก็อาจจะรู้อะไรดีๆกว่าน้อยแต่ไม่ยอมบอกน้อยก็ได้ ก, ก็ถ้าจะถานตามความรู้สึกของพี่ในข้อนั้นนะ่ะนะ พี่ก็ขอตอบ้วยไม่จำเป็นจะต้องปลอบใจหรือหลอกลวงน้อยอะนะพี่เชื่อว่าระพินไม่เป็นอะไรเช้าวันรุ่ขึ้นเขาคงหายและนำทางพวกนั้นต่อไปได้โดยอพยพเอาตะเกเรียงตะเคียนทองไปด้วยพี่กลางเชื่อเช่นนั้นจริงหรือคะอเอาว่าเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วกันเพราะพี่ก็ไม่ได้เห็นกรตาเพียงแต่สันนิษฐานจากสิ่งแวดล้อม แล้วนักิน์มมานอนเจ็บขนาดให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้มันเพราะอะไรล่ะคะไม่ไม่คิดหรอกนะคะว่าจะเกิดจากอกการไข้ปกติประจำตัวของเขาคือการจับสั่นแบบที่เขาเคยเป็นมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยข้อนี้พี่ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันนะน้อย จะคิดว่าถูกช่างเหยียบหรือช่างแทงก็คงไม่มีโอกาสหามกันขึ้นมาให้น้ำเกลือบนนี้หรอกป่านี้ลงหลุมไปแล้วดารินนิ่งไปอึดใจแล้วพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองมันจะต้องมีอะไรไสักอย่างแน่ๆเกี่ยวกับการเจ็บ <dog. S 1> ของรพินคราวนี้แต่นึกไม่ออกจริงๆพี่กลางครั จากที่นี่ถึงห้วยเสือร้องในระยะทางเดินสักเท่าไหร่คะอืมมันก็น่าดูเหมือนกันนะน้อยเราวันครึ่งเห็นจะได้แต่พรุ่งนี้พี่จะหารือกัลุงนิกทีนะว่าจะมีหนทางลัดให้ใกล้กว่านั้นได้ไหมแต่สําหรับใจพี่ไม่อยากจะใช้วิธีลัดตัดทางอะไรทั้งสิ้นในระยะนี้พวกเขาขนกันไปเป็นขยุงคาราวานใหญ่ทีเดียวเพราะจะต้องเกณฑ์กระเหลี่ยงตะเคียนทองไปด้วย จะช่วยเรามองเห็นร่องรอยของพวกนั้นได้ชัดทีเดียวว่าไปกันทางไหนยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าในระหว่างเส้นทางสายนี้ขณะนี้เราต้องพยายามเก็บหลักฐานร่องรอยเขาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ในการรู้เห็นอะไรเป็นทุนไว้ก่อนและการก้าวส ก, กัดดักหน้าพี่ขอยืนยันอีกครั้งนะน้อยก่อนจะถึงห้วยสือร้องเราไม่ควรจะแยกตัดเส้นทางของฝ่ายเขาเลยแม้จะพบทางลัดก็ตาม ควสาวรอยไปทุกระยะรู้เธอเห็นยังไงประโยคหลังเขาถามความเห็นมาก็เป็นความคิดที่ถูกแล้วนะคะนี่ถ้าเราไม่สาวรอยเข้ามาชนิดทับรอยเราก็จะไม่รู้เลยว่าระหว่างทางนะัานมันได้เกิดอะไรขึ้นกับคณะของเขาอย่างที่เราได้หลักฐานกันมาแล้วดารินพูดเศ้าๆแล้วเอื้อมมือข้างนึงไปจับที่กิง่งไผ่ ซึ่งอนุชานำมาปักทดลองไว้อันรู้แน่ชัดว่ามันคือเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือแน่พลางสะท้อนถอนใจอนุชาบอกให้หลอนถอนออกซะแล้วโยนไปที่ริมผนังถ้ำซะเถอะเพราะเกะกะแต่น้องสาวสันส่นศีรษะบอกว่าหลอนต้องการให้มันปักอยู่ในสภาพนี้ในขณะที่นอนนอนอยู่นี่แหละพี่กลางหลับซะเถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงน้อยหรอกเดี๋ยวน้อยก็คงหลับไปเองหล่อนบอกระวังจะไม่สบายนะน้อยไงไงก็อย่าฟุ้งซ่านมันมากนะถ้าเห็นท่าไม่ดีก็กินยา น, นอนหลับซะดีกว่าถ้ายัางไงพรุ่งนี้ยังมีสําหรับเรานะนี่นั่นหลวงอินแกทําค่ะแกยังไม่นอนนี่ อ, อปล่อยก็เถอะแกคงเข้าสมาธิดูอะไรของแกไปตามเรื่องอะ มีลุงอินมาด้วยคนหนึ่งพวกเราทั้งหมดก็สบายใจได้ถึงแกจะไม่เดินเร็วเท่าราพินแล้วก็ยิงปืนไม่แม่นเท่าราพินแต่สัยเวทคาถาอาคมของแกน่ะไม่เบาทีเดียวแห ล, ละแกติดต่อได้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าพี่ไม่ได้แกเป็นเพื่อนพเนจรไปด้วยกันในคราวนั้นพี่ก็ตายไปตั้งพันครั้งแล้วละ่ะก่อนจะถึงมรกรนครนอะ่ะ เพียงแค่อน ok ุชาบอกดารินไม่ทันสิ au, j j ok in, ai, ้นประโยคเท่านั้นอย่างก็มองเห็นร่างที่นั่งสงบนิ่งปานท่อนหินของครูพรานผู้เฒ่าขยับไหวตัวสบัดหน้าแรงๆอยู่ไปมาแล้วปัดผ้าเขามาพึบผับผึบผับอนุชาดีดนิ้วเบาๆแกจึงหันกลับมาเขาก็บุกมือเรียกนั้นอินบนอะไรพึมพำพึมพำคลานเข้ามาหาแล้วนั่งลงใกล้ เขาออกมาพบแล้วล่ะนายจะทำอะไรก็ไม่ก่อจะยอมบอกจะพูดขึ้นง่ายๆหน้าตาเฉยเขาอ่ะเขาน่ะใครก็เจ้าแม่ที่ครองขุนเขาหน้าผาแห่งนี่สิสวยกว่านางไม้ทุกตนที่หนานอินเคยเห็นมาแล้วทำหน้าที่ดูแลปกครองโคดเหล็กไหล มีเส้นทางเดินอยู่ตลอดเทือกแถบเขาทั้งหมดเนี่ยนิ่หน้าล่ะวิทยุของพวกนายถึงได้ใช้ไม่ได้ก็ที่นี่มีสายของเหล็กไหลแล้วก็แร่สักดิษษษษษษ์สิทธิ์สารพัดดีไม่ดีลูกปืนเราจะยิงไม่ออกซิเดี๋น้าแต่ตอนนี้เหล็กไหลไม่ได้อยู่บนหน้าผานี่หรอกไปรวมตัวอยู่ที่โขดหินงอกริมทานน้ําข้างล่างนูน่นแม่นางบอกน้านี่ยังเงีย อนุชานอนสูบบุรี่ฟังเฉยๆแทบจะไม่สนใจอะไรเลยแต่ดารินดึงกายขึ้นนั่งทันทีจ้องหน้าแกขมิง่งลูงอินหล่อนร้องมเบาๆนี่ลุงหมายถึงบ่าลุงได้นั่งทําพิธีเรียกเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนั้นเหรอหันเชิญอย่าเรียกอย่าพูดว่าเรียกสิแล้วเขาก็มาอย่างนั้นเหรอ มาสิไม่มาได้ยังไงก็นานินตั้งจิตมั่นอัญเชิญเขาด้วยความสักการะไม่ได้บีบบังคับหรือก่าวร้าวดูมินทินแคลนอะไรเขานิดารินกับพริบตาโดยเร็วเต็มไปด้วยความประหลาดใจหันไปมองหน้าพี่ชายอนุชาก็บอกว่ารับฟังไว้ก็แล้วกันเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องนึง ไหนลุงลองบอกไปให้ละเอียดสิว่าเจ้าแม่ที่ลุงเห็นแล้วลุงถามอะไรเธอบอกอะไรลุงม้างนานอินไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าปลาเจ้าเขาที่ครองอยู่แถบนี้น่ะเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงเพราะไม่เคยสนใจจะพบเห็นมาก่อนก็มาคืนนี้แหละที่ลองทำวิธีอัญเชิญดูทบหมดไปแค่ไม่ถึงครึ่งดอก เจ้าแม่ก็มาจริงเหมือนกันบอกว่าปกครองอยู่ที่นี่ถามถึงคณะของพรานใหญ่ที่ล่วงหน้ามาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นางก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นบอกแต่เพียงว่าที่นี่น่ะเป็นเทือกเขาสำคัญมีเหล็กไหลที่แม่นางปกครองดูแลมานานแล้ว น, น้านินก็พยายามจะถามถึงเรื่องนายราพิน เจ้าแม่ก็บอกว่าจะบอกอะไรไม่ได้ผิดวิสัยขอให้ค้นหาเหตุกันเอาเองเพราะพวกเราแต่ละคนที่มานี่ก็ล้วนแต่มีความเก่งกล้าสามารถทั้งสิน้นและสำหรับคืนนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ไม่ให้อะไรมาแพลวพานเข้ามารบกวนล่อะอะนอนได้แล้วลุง ไม่ต้องอัญเชิญหรือเรียกอะไรอีกรอกอนุชาบอกมาเรียบเรียกแล้วหลับตาลงชนิดไม่สนใจอะไรอีกทั้งสิ้นแต่ดารินขยับตัวทันทีมือแข็งของพี่ชายคว้าหมับเข้าไปที่ต้นแขนดึงให้นอนลงตามเดิมแต่หล่อนขืนตัวไว้ขออนุญาตค่ะพี่กลางไม่รับรองว่าจะไม่ออกไปไหนไกลหรอก ขอไปนั่งตรงตำแหน่งที่ลุงอินนั่งตะกี้นี้แหละแล้วถ้า ง, ง่วงเมื่อไหร่ก็จะกลับเข้ามานอนเองแต่ถ้าไม่ไว้ใจก็ลุงอินนั่งเฝ้าไว้ก็ได้หลอนบอกอย่างเต็มไปได้วยความมั่นใจเร้นลับอะไรบางอย่างเต็มเปลี่ยงอนุชาจึงปล่อยมือออกสั่งคนของเขาว่าอะลุงอินก็ดูนหะญิงด้วยก็แล้วกันฉันจะนอนอะ ราชสกุลสาวพยักหน้ากันนานอินแล้วเคลื่อนตัวออกจากที่นอนทันทีพอถึงบริเวณที่พรานครูนั่งอยู่เมื่อครู่นี้หล่อนก็บอกว่าลุงช่วยจุดทูปไปชัก ด, ดอกสิฮะนายหญิงอย่าทำไปเล่นไปนะนายหญิงไม่มีวิชาอะไรทางด้านนี้ไปดียวอยู่เหัหน้า ฉันก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันนะลุถึงแม้จะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางนี้ก็ตามทีบอกให้จุดธูปส่งไม่ทีฉันจะลองนั่งดูมากงลุง ก, ก็คอยดูฉันอยู่ข้างหลังอะ่ะถห้ฉันมีอาการผิดวิกลยังไงก็เชตบหลังแรงๆแล้วเรียกชื่อดังๆด้วยแล้วกันแต่เชื่อไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะไม่เลวนายหญิงเนี่ยเอาเอาเอากเอา นันอินจะนั่งคุมหลังวะให้เองแกว่าแล้วก็คลานไปที่ย่างคว้าทูปออมาดอกนึงดารินรับไว้แต่แล้วก็ชะ ง, งักก่อนจะจุดร้องสั่งต่อมาว่าอีกสักสามดอกทีลุงรวมกับนี่อีกก็เป็นสี่ดอกเดียวโด ด, ด, ดไม่ได้หรอกนันอินส่งให้หลอนขีดไลเตอร์จุดคุมสติมัน่น พอติดหมดทั้งสดอกก็แยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสามดอกถือไว้ในมือดอกหนึ่งนั้นแยกต่างหากให้นันอินถือไว้ก่อนจากนั้นก็คุกเขา่าพนมธูปสามดอกไว้จบบูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอราหันตุกพระองค์รวมทั้งมหาหือสีโกนทัญญะแห่งเทือกเขานินลกาน อันเชิญให้มาปกเกตคุ้มเกล้าไว้ก่อนจากนั้นก็ปักลงยังตำแหน่งหนึ่งหันมารับอีกดอกจากหนานอินยกขึ้นจบไหวง่ายๆแล้วแยกมาปักไว้ยังอีกตำแหน่งหนึ่งแยกไว้คนละทางต่อจากนั้นหล่อนก็ถอยมานั่งขัดสมาดประสานมือทั้งสองซ้อนกันไว้บนตัก สุดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆระบายออกลำตัวตั้งตรงแนวในขณะที่หนานอินถอยไปนั่งสงบมองดูหล่อนอยู่ทางเบื้องหลังอย่างงงงงแปลกใจเวลาผ่านไปด้วยความเงียบเสียงลมพัดผ่านโตรกินหน้าผาคลางวิว ทุกสิ่งเป็นดึกสนีควันทูบทั้งสองด้านม้วนตัวลอยขึ้นแช่มช้าร่างของดารินวราริศสนิทนิ่งราวกับท่อนหินลมปราณของหล่อนผ่อนเข้าออกสม่ำเสมอและค่อยๆแผวจางลงเป็นลำดับ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 บนหน้าผาตะเขียนทองฝ่ายที่ล่วงหน้าไปก่อนก็มาติดชะงักการเดินทางเอาบนไหลของหน้าผาสูงชันแห่งขุนเขารูปนกอินทรีไม่อาจปีนไต่ต่อไปได้เพราะคนหนึ่งของคณะดับเครื่องฟิวขาดไปเชลแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายคือคริสตินากรูบินทำให้ทั้งคณะจำเป็นต้องหยุดพักการเดินทางกันลงอย่างกระทันหัน โรงเวงใหญ่ใต้ผาชะโงกนั่นเองกระพินไพร์วันเองก็ฉวยโอกาสนั้นนอนหลับด้วยความเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจและความรันทดเศร้าของดวงจิตส่วนลึกเขาถูกปลุกขึ้นมาโดยหัวหน้าคณะเองเมื่อความมืดปกคลุมไปหมดแล้วเพื่อให้ร่วมทานอาหารเย็นด้วยกันขณะนั้นมีแต่แสงตะเกียงแบตเตอรี่และกองไฟเล็กๆเท่าที่พวกพลานพื้นเมือง และลูกหาบจะไปปัดมาได้จากพวกกิ่งไม้เล็กๆที่งอกขึ้นอยู่ตามซอกของโขดหินเท่านั้นคริสติน่ายังคงอยู่ในสภาพหลับสนิกร่างของหล่อนนอนหงายเหยียดยาวอยู่ที่ตำแหน่งเดิมกับที่เห็นครั้งแรกขณะที่พวกนั้นประคองขึ้นมามีผ้าห่มคลุมไว้จากปลายเท้าถึงส่วงอกคริสเป็นยังไงมัางล่ะครับ ระพินถามคณะนายจ้างรวมๆขึ้นขณะที่มองไปยังร่างของแม่ผมทองหลับตลอดนะนะก็ตั้งแต่ตอนที่เราแบกขึ้นมาบนนี้แหละสแตนลีย์เป็นคนตอบขึ้ขึ้ไม่รู้สึกตัวเลยอาการไม่สู้จะดีนะเบนตัว ด, ดูก็บอกว่ามีไข้ด้วยนะจอมพรานปัดแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือขนัดนั้น สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีโชคเราไม่ดีมาตลอดระยะทางนะมีเหตุอันเป็นไปให้ต้องเสียเวลากันอยู่เรื่อยมีอุบัติวาเหตุเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่กับคนนั้นก็คนนี้แม้แต่ตัวผมเองแล้วก็เขาก็หันไปทางอิสเบรหมอเบอรคุณต้องดูแลเพื่อนของคุณให้ดีที่สุดสำหรับคืนนี้นะ ถ้าคริสเกิดไม่สบายมากการเดินทางของเราก็จะยิ่งล่าช้าลงไปทุกทีคุณรู้ดีอยู่แล้วนี่พรุ่งนี้นเป็นรายการปีนเขาตลอดเส้นทางมันเสี่ยงเหลือเกินอืมปเดี๋ยวีสักพักฉันจะปลูกข้าวขึ้นมาให้อาหารอ่อนๆแล้วก็จะให้กินยาเชื่อว่าอาจจะเป็นปกติในเช้าพรุ่งนี้นะว่าต่าคุเนะพอคริสนอนหลับไปคุณก็ลงนอนเหมือนกัน หลับมาไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงครึ่งเป็น ไ, ไงตอนนี้อารมณ์ผ่องใสขึ้นมั่งอยังเขาฝืนยิ้มให้หล่อนก้มหน้าลงกินอาหารกระป๋องบอกมาเสียงเรียบๆว่า อ, อยากถือสาอะไรกันเลยคุณขอร้องหลายครั้งเลยนะสำหรับในกรณีที่ผมอาจจะเยี่ยมเกรียมไม่มั่งผมต้องทำงานให้พวกคุณอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลที่สุดอะ ความจริงคืนนี้เราควรจะขึ้นกันไปพักอยู่บริเวณไหลด้านซ้ายของรูปเขารูปนกอินซีได้แล้วอ่ะถ้าไม่มีเหตุอันเป็นไปเกี่ยวกับคริสเก่อนเรารู้ว่าคุณเป็นคนเอางานเอาการแล้วก็จริงจังเพียงไหนเมื่อแรกๆเราเป็นฝ่ายคิดระแวงคุณจะด้วยซ้ำว่าคุณจะแกล้งพานำทางยืดยากโอ้เออแต่แล้วก็กลับปรากฏว่าพวกเราเองแหละ ที่ไม่สามารถจะตามคุณได้ทันแล้วคุณก็กลับเป็นฝ่ายเร่งเราอเมริกันนาวุโสอันเป็นหัวหน้าคณะพูดตรงไปตรงมาผมก็อยากทำงานให้เสร็จสิ้นชะโดยเร็วอะด็อเตอร์จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็มันรู้ชัดออกไปไการจะมาเดินงมหากันอยู่ตลอดทั้งชาติมันไม่สนุกทั้งฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายคุณเป็นตายไรยด้ดีเหนื่อยยากลาบากยังไงผมไม่หวั่นหรอก ขอให้ผลมันปรากฏาเรมวเร็วๆเขาประกาศจากความรู้สึกจริงใจออกมาเช่นกันนายคิดผิวปากวือ้ออกมาพร้อมกับโครงศีรษะพูดว่าให้ตายหาดิผมมันกลัวใจคุณจริงๆเลยนะพินไอ้พวกเวียดกงว่ามันทรหดหึดสู้สุดใจขาดดิ้นแล้วโอ้มาเทียบกวับคุณยังไม่ได้ครึง่งทำตัวให้สบายๆแล้วกันะพิน ตอนนี้เราทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันแล้วค้นหาซากเครื่องบินตกพบก็เป็นโชคของเราท้าไมพบและเห็นว่ามันจะสุดความสามารถของพวกเราภายใต้การนำของคุณแล้วก็จะเป็นต้องกลับเรื่องอะไรจะต้องมาตายในป่าทั้งหมดไอ้พวกที่ใช้เรามามันก็ดีแต่บงการออกคำสั่งเท่านั้นนักโต้มันเหนือนยากเลือดตากระเด็นพวกเราด้วยจะที่ไหนบารยิยัมขนาดค้นหาทางอากาศไม่พบ ดันเสือให้เราเดินป่ามาหาแล้วมันป่าธรรมดาใช่ไหม่สารพัดไยมันจู่โจงมาเล่นงานเราทุกรูปแบบเลยกระโทษบรนี้พันเอกลารีคีดดูไม่มีพิษสงอะไรกับเขาอีกแล้วนอกจากความเป็นมิตรอย่างสนิทใจเท่านั้นเชิดวุธแกล้งบอกมาว่าเฮ้ยหยุดบนเถอะเทียวะคีดนี่มันงานของพวกนายโดยตรงนะ รพินน่ะเขาเป็นตะเพียงผู้รับจ้างมาอย่างเชิงบีบบังคับเท่านั้นฉันเองก็พลอยติดร่างแหมาด้วยในฐานะตัวแทนของฝ่ายข่าวกรองกองทัพ บ, บกอ้ตัวอย่างก็ยักใจทั้งหมดเว้เนะประโยคหลังบุตรชายท่านนายพลด่าเป็นภาษาไทยคิดยกเท้าจะถีบเชิดบุตรแต่นายทหารหนุ่มถีบสวนยันมาสักก่อน ลักษณะของคนทั้งสองเล่นกันอย่างเพื่อนสนิทแต่ก็มักจะยอ ก, กันหนักๆชิงไหวชิงพริบกันอยู่ตลอดเวลาเอเดี๋ยวก็ลุกกันเตสะสักทีนึงเหมือนเด็กๆจนอิสเบนรำคาญใจเพราะหลอนดูเหมือนจะเป็นคนกลางอยู่ในระหว่างสองบุรุษต่างเชื้อชาติคู่นี้อยู่ด้วยเลยร้องด่ามาว่านี่หยุดกัดกันสทัทีเอดีทั้งสองตัวแหละทั้งเชิดบุตรและคิด จึงเลิกรากันไปได้เพราะต่างก็เกรงใจเบลล์อยู่ด้วยกันทั้งคู่เนื่องจากกลางไพรกันดานเช่นนี้ถึงยังไงทั้งสองก็ได้อาศัยเบนล์อยู่เสมอทำให้ไม่ถึงก็ต้องลัดมันตายจัดว่าไงไงหล่อนก็มีบุญคุณอยู่ไม่น้อยที่เป็นคนเอื้อเฟื้อใจสปอร์ตพอสมควรในด้านนี้ดรสแตนลีย์นั้นแต่ไหนแต่ไรมานับแต่แรกพบเคยวางตัวเป็นที่น่าเคารพยังไง ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ยุ่งอะไรในเรื่องรายสาระนอกจากเคร่งอยู่กับ ง, งานที่ได้รับมอบหมายมาในฐานะหัวหน้าเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าในหมู่คณะหากจะมีอะไรเลยเถิดเกินไปก็จะปราบสักทีนะึงะพินตลอดทั้งวันของวันนี้นะก่อนที่คริสจะเป็นลมพักไปคุณพาเราเดินอย่างหักฐานที่สุดคุณยอมรับไหมในข้อนี้ สเตลลีเอ่ยขึ้นจอมพรานยิ้มจืดจืดกล้มกลมหน้ากินอาหารกระป๋องอยู่เช่นนั้นเอาละครับผมยอมรับครับด็อกเตอร์แต่ก็ไม่ได้มีเจ ต, ตนาร้ายนอกจากอยากจะเร่งทำเวลาเท่านั้นแหละครับฮลุยไฟกันเกือบตายขนาดตัวเองก็เสื้อแสงถูกไฟกินก็นไปครึ่งตัวยังตะลุยปีนเขาขึ้นไม่ถ้ามองกันแน่แ ง, ง่ร้ายก็เหมือนกับว่า คุณน่าจะแกล้งฆ่าพวกเราอย่างนั้นแหะเบนต่อว่ามาอีกคนครับครับต่อไปถ้าคนหนึ่งคนใดเห็นว่าจะไม่ไหวก็มีสิทธิ์บอกผมได้ครับเท่าที่แล้วมานะผมเห็นว่าแต่ละคนก็ทะเลาะโหดเข้มแข็งกันทั้งนั้นเนี่ยและการเดินทางที่แล้วมาก็เป็นการอุ่นเครื่องพอให้กําลังอยู่ตัวกันแล้วแล้วมันจะไปเทียบกันได้ยังไงล่ะคุณระหว่างอาชีพกับสมัครเล่น รื้อจำใจเพราะต้องมาตามหน้าที่ตลอดทั้งชีวิตนะคุณอยู่แต่ในป่าแต่ชีวิตเราเส่วนมากนะ่อยู่ในเมืองหมอเบนบนเชิดวุฒิหัวเราะหันไปมองหน้าแม่ผมแดงคู่ขาของใครก็ได้ในคณะถลนพอใจนี่เบนคุณพูดคราวนี้นะ มันฟังดูเป็นตรงข้ามกระสมัยที่ผู้ที่บ้านพักหนองน้ำแห้งของพรานใหญ่เลยนะฮึตอนนั้นพวกคุณทุกคนล้วนแล้วแต่เก่งกล้าสามารถในการผจญภัยดังนั้นนะต้องเจอของจริงซะก่อนถึงจะรู้สึกใช่ไหมนี่นี่นี่บุ๊ดถ้าหุบ ป, ปากของคุณจะได้จะเป็นการดีมากนะรพิงก็ยังไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องนี้พวกเราสักคำนายทหารหนุ่มหัวเราะแล้วนิ่งไป เขาไม่ต้องการจะทำให้เบนโกรธหรือแมรงมุดหมิดกับเขาจริงอยู่คริสตินาน่ะเป็นที่หมายปองสุดยอดของเขาแต่สิ่งที่ผ่านมามันก็เหมือนฝันเท่านั้นอย่าไปคิดหวังพึ่งอะไรได้อีกโอกาสเช่นนั้นจะมีอีกหรือไม่ก็ยังไม่อาจจะบอกได้แต่สำหรับเบนนั่นของตายและในฐานะแพทย์ประจำคณะแน่นอนในข้อที่ว่าไม่ช้าก็เร็ว ในเส้นทางเดินอนาคตไงๆเขาก็ต้องพึ่งหล่อนแน่เอาเราหุบ ป, ปากได้แต่อย่าลืมเปิดขายมั่งกันแล้วกันประโยคนี้เขาพึ่งพังบเบาๆเบลฟังไม่ถนัดและไม่สนใจหันไปทางระพิงอีกครั้งพูดอย่างเป็นงานเป็นการนี่คุณเห็นจะต้องขอร้องอะไรคุณสักอย่างสำหรับคืนนี้ ไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับไม่มีปัญหาครับเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมก็พร้อมจะปฏิบัติภายใต้ขอบเขตในหน้าที่ของผมครับพวกเราทุกคนยอมรับนะว่าเหนื่อยแล้วก็เพลียหนักสำหรับวันนี้แล้วก็ตั้งแต่ขึ้นมาพักกันอยู่ตรงนี้พวกเราก็ยังไม่มีใครได้นอนพักเลยส่วนคุณเฉยอากาศหลับไปมั่งแล้วครับแล้วยังไงล่ะครับ ปรเดี๋ยวเราจะขอพักมั่งล่ะไม่ว่าอาจารย์คิดเชิดบุตซึ่งก็เชื่อว่าคงหลับก่อนใครรวมทั้งตัวฉันด้วยครับครับหน้าที่ระวังเวรยามดูแลความปลอดภัยเป็นของฝ่ายผมเองครับหมอเบนสันสีสะไม่พอละคุณแค่นั้นยังไม่พอหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตอนพักนอนมันเป็นของฝ่ายคุณอยู่แล้วแต่คุณมีหน้าที่พิเศษอีกอย่างนึง คือคอยนอนประกบชิดตัวคริสติน่าไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงการุณาสังเกตอาการของเขาด้วยตรวจชีพจรวัดประรลอดหาอาการไข้วัดหลั่เพรสเชอร์ถ้าเผื่อว่ามันผิดสังเกตยังไงก็ปลุกฉันทันทีคุณทำได้ไหมผมไม่ได้เรียนในทางบุรุษพยาบาลมาก่อนนี่คุณ เปลนว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือของคุณไม่เป็นนะดิปรเดีย๋ยวจะสอนให้มันไม่ยากอะไรหรอกความจริงหน้าที่นี้นะเชิร์ตวุฒิเขารับอาสาเต็มที่แล้วแต่ฉันน่ะไม่ไว้ใจเขาหรอกถ้าเอ็นหลังลงนายนั่นก็คงหลับครอกอ่ะนั่นนันนั่นเห็นไงนั่งอ้ปาปากขาววอดวอดอยู่นะั่นอาจารย์เองก็คงไม่ไหวหรอกเพราะสะบัดสะบอมมาเต็มเหยียดเช่นกันอายุก็เยอะแล้วส่วนคี้ทั้ก็ดื่มจัดมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว และทุกครั้งที่เขาเดื่มจนเข้าที่ปอยช้างเดินเข้ามาเหยียบเขาก็ไ ม, ม่มีวันรู้ตัวคืนนี่อิสเบรดูเหมือนจะกลายเป็นผู้บงการทั้งหมดโดยดกเตอร์สแตนลีก็นั่งฟังอยู่เฉยๆดวงตาทั้งคู่ของหัวหน้าคณะเห็นชัดว่ารีปรือแทบจะลืมไม่ขึ้นถ้าจะมีกระชับกระเฉงแข็งแรงอยู่ก็เห็นจะเป็นหมอเบลคนเดียวเท่านั้นในคณะในจ้างทั้งหมด ตกลงครับงั้นเดี๋ยวคุณสอนผมแล้วกันรัพินตอบง่ายง่าย